สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันพระหัตซึ่งเป็นวันตั้งพิธีมหาสนิทจักริดเป็นวันปัสกาของคนยิวในสมัยของพระเยซูนั้นพระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์บทที่หนึ่งข้อยี่สิบเก้าครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าจงดูพระเมสสโปรดของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปเสีย จงดูพระเป็นสโปูดของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปเสียพีย่น้งคับในประธมการตอนที่อาดัมเอวานทำบาปพระเจ้าก็สอนให้ประชากรของพระเจ้าทราบว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างจะต้องมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างต้องตายเพื่อชดใช้ความบาปของเขาพระเจ้าต้องการให้ประชาชนของพระองค์เห็นว่าความบาปนั้นร้ายกาหนักหนาสาหัสเพียงไรในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์ชงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะไม่มีการอภัยโทษบาปเลยถ้าไม่มีการเสียชีวิตชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตจะไม่มีการอภัยโทษบาปเลยถ้าไม่มีการหลั่งโลหิตเพราะว่าเลือดนั้นคือชีวิตหรือโลหิตเป็นชีวิตในพระธรรมฮีบรูบทที่เก้าข้อยี่สิบสองได้กล่าวว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลยนี่คือมาตรฐานนี่คือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่จะ ทำลายความบาปไปคือจะต้องมีการเสียเลือดจะต้องมีการเอาชีวิตแลกด้วยชีวิตจึงจะเกิดการยกโทษบาปคนยิวนั้นต้องถวายบูชาสําหรับความบาปของเขาทุกๆปีส่วนมากเครื่องบูชานั้นก็จะเป็นลูกแกะครับลูกแกะที่ไร่ตาหนิอายุหนึ่งปีถูกถวายให้เป็นเครื่องบูชาลบบาปเพื่อให้ความบาปที่เขาทํามาถูกยกโทษ ลูกแกะนั้นจะต้องถูกฆ่าครับและเครื่องถวายบูชาเป็นกลายเป็นเครื่องถวายบูชาและถูกถวายบนแค่นแท่นบูชาพระเจ้าทรงสอนคนของพระองค์ถึงความจริงยิ่งใหญ่นี้ว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกบาปเลยพี่น้องครับคำถามก็คือว่าหลายหลคนถามว่าเลือดของแกะเนี่ยสามารถชำระความผิดบาปของเราได้หรือเปล่า คำตอบก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้เลยครับเลือดของแกะหรือเครื่องถวายบูชาเหล่านี้เป็นเพียงแต่งเงาครับเป็นแบบหรือภาพของการสิ้นประชนบนไม้กันเขนต่างหาครับดูเหมือนว่าพระเจ้ากำลังสอนประชากรของโปรงมาในวันหนึ่งอนาคตจะมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่จะเสด็จเข้ามาในโลกนี้พระองค์จะทรงปราศจากบาปไร่หม่นถิ่นหรือนิรมลเหมือนกับลูกแกะครับและพระองค์จะทรงยอมถวายตัวเองพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเหมือนกับแกะจะต้องตายชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตจะต้องตายแทนเราบนไม้กางเขนพระองค์จะเป็นเครื่องบูชาเหมือนกับสัตว์ที่เป็น เครื่องบูชาครับมนุษย์เราต้องการรับการอภัยโทษบาปก็บาปของตนใครก็ตามที่อยากจะรับการอภัยผู้นั้นต้องนำลูกแกะมาให้ผู้โรหิตวางมือบนหัวของลูกแกะการวางมือนั้นทําให้ตัวเขาเองนั้นเป็นอันหนึ่งันเดียวกันกับลูกแกะครับและกล่าวในใจว่าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์ได้ทําผิดต่อพระองค์และข้าพระองค์สมควรตาย เพราะบาปของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยอมให้ลูกแกะนี้ตายแทนที่ข้าพระองค์อันนี้คือการวางมือบนหัวลูกแกะของพระกัมพีเดิมในสมัยพระกัมพีเดิมนั้นคนโบราณจะต้องใช้วิธีนี้ครับวางมือบนหัวลูกแกะที่มันจะตายแทนเขาพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระเมสสปโดกของพระเจ้าทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า เป็นเวลาหลายพันปีครับที่ประชากรของพระเจ้าถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาในพระกมภีเดิมเพราะพระเจ้าบอกให้เขาทำอย่างนี้ในในขณะเดีวยวกันครับพวกเขาก็เฝ้ารอคอยด้วยความเชื่อความศรัทธาในการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดก็คือพรเมสโปดกผู้ช่วยเขาให้รอดที่พระเจ้าได้สัญญาไว้เมื่อถึงเวลาของพ ร, งพระองค์เปเยสุคริชพระบทองเดียวของพระองค์ ก็เสด็จมาเพื่อทำตามน้ำมัตไพยของพระองค์พระเยซูตรัสว่าเพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำความทำตามความประสงค์ของเราเองแต่ทำตามความประสงค์หรือพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาพระประสงค์ของผู้ที่ใช้เรามาคือพระประสงค์ของพระบิดานะครับที่ให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นลูกแกะของพระเจ้าครับ เป็นผู้ที่เะตายเพื่อความบาปของมวลมนุษยชาติเมื่อยอนห้วยบัพติศมาเห็นพระเยซูเขาก็ร้องว่าจงดูจงดูพระเมสสโตรโของพระเจ้าผู้ทรงรับแบกบาปของโลกไปเสียอันนี้พบในพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเก้าซึ่งเราได้อ่านมาแล้วพี่น้องครับเราไม่รู้เวลาสถานที่หรือวิธีที่เราจะตายแต่พระเยซูรู้ครับ เปเยซูทรงรู้จากสถานที่วิธีเวลาที่พระองค์จะทรงสิ้นประชนเวลาที่พระองค์จะตายและวิธีที่พระองค์จะตายด้วยครับพระองค์ทรงทราบว่าพระงจะทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามและพระเยซูก็ทรงบอกเรื่องนี้กับเหล่าสาวกพรงบอกว่าฟังนะเราจะขึ้นไปยังเยรูซาเล็มและมุดมนุษย์จะถูกมอบไว้กับพวกมหาปูโลหิต และพวกธรรมจาร์และพวกเขาจะลงโทษท่านถึงตายทั้งทั้งจะมอบตัวท่านไว้กับพวกต่างชาติเพื่อให้เหยา ะ, ะเยืยอเชี่ยนตีและตรึงไว้ที่กางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่อันนี้ชัดเจนครับพระเยซูพูดกับเหล่าสาวกในมัทธิวบทที่ยี่สิบข้อสิบแปดถึงยี่สิบพี่น้องครับในหลายๆโอกาสนั้นดูเหมือนว่าชีวิตพระเยซูจะอยู่ในอันตรายแต่พระเยซูตรัสว่าเวลาของเรานั้นมาไม่ถึง นั่นแสดงว่าพระเยซูทรงรู้เวลาความตายของพระองค์ว่ายังมาไม่ถึงทําอะไรพระเยซูไม่ได้ผู้นําศาสนาก็เกลียดชังพระเยซูหาทางที่จะกักจับกลุมพระเยซูเพื่อที่จะฆ่าพระองค์สาเหตุที่เขาเกลียดชังพระเยซูหาทางกันแกล้งจับกุมและฆ่าพระองค์เพราะพระองค์ทรงอ้างว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกเขาอิจฉาพวกเขาไม่เชื่อพวกเขาใจปิดมีครั้งหนึ่งครับพวกเขาหยิบก้อนหินมาเพื่อจะฆ่าพระองค์ พระเยซูถามพวกเขาว่าเราแสดงให้ท่านเห็นการดีหลายอย่างของพระบิดาท่านจะหยิบก้อนหินขว้างเราให้ตายทำไมเพราะการดีข้อไหนพวกเขาตอบโรงว่าเราขว้างท่านไม่ใช่การดีใดๆที่ท่านทำแต่เพราะการที่ท่านพูดดูหมิ่นประมาทพระเจ้าและยกตัวเองเป็นพระเจ้าท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ทำตัวเป็นพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสาหรับพระเยซูผู้ทรงเป็นไม่เสดกของเรา โยงไปถึงบนไม้กังเขนครับพระเยซูได้ทรงอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นที่ตึงพระเยซูพระเยซูบอกว่าพระบิดาเจ้าข้าโปรดยกโทษให้เขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรปีน้องครับนี่คือสิ่งที่เราเสมือนหนึ่งว่าได้ทำกับพระเยซูเพราะเราก็เป็นคนบาปคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน การที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเพราะใครครับเพราะเราทั้งหลายทุกคนที่ทำบาป <c oughs> นะครับพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อคนทั้งโลกแต่วงเล็บคนทั้งโลกที่กลับใจที่ยอมเชื่อไว้วางใจพระองค์พี่น้องครับใครก็ตามที่ไม่เชื่อและไม่วางใจพระองค์ไม่กลับใจการสิ้นพระชนที่มีต่อเขาก็ไม่มีประโยชน์ ก็ไร้ซึ่งประโยชน์และที่สําคัญก็คือว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นสิ้นพระชนเพื่อเราเราทั้งหลายที่ได้รับพระคุณความรักในข้อนี้เราจึงติดค้างหนี้แห่งพระคุณของพระเจ้าเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ตรึงกางเขนพระเยซูครับเราถูกนับเข้าปรับกับคนอธรรมนะครับเพราะเหตุที่เราทําให้พระเยซูทรงสิ้นพระชน แต่บาปของการถูกนับให้เป็นคนอาธรรมนั้นได้รับการยกแล้วทําให้เราทั้งหลายกลายเป็นคนชอบธรรมเนื่องจากการสิ้นพระชนของพระเยซูเนื่องจากการกลับใจของเราทั้งหลายเนื่องจากการขอการอภัยโทษบาปที่เสียอกเสียใจในการทําบาปเพียงครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในช่วงวันสองวันนี้ที่ถือว่าเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงสุดท้ายของพระเยซูที่อยู่ในโลกนี้เป็นเวลาทองครับ เป็นเวลาที่สาคัญที่สุดในการที่เราจะเข้าฟ้รพระเจ้าและเพื่อสำรวจตรวจตาตรวจสอบชีวิตของเราและสารภาพความผิดบาปนี้ในทุกๆิกีตจักนะครับคืนนี้จะมีพิธีการถือมหาสนิตศักดิ์สิทธิ์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าถึงและทราบซึง้งเข้าถึงสัจธรรมความจริงของชีวิต ทราบซึ้งในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำเพื่อเราทราบซึ้งในพระคุณและความรักของพระองค์เพื่อที่เราจะปรับนาตัวและผูกพันตัวเองกับสิ่งที่พระเยซูกำหนดให้เราทำเชื่อฟังพระองค์และมีชีวิตยอยู่ในน้ำมัทไยของพระองค์ตลอดไปอาเมน